ย่าก็เคอะเค อ, อ, อไปเสียไม่รู้ตัวไม่รูร้หลอกเคอะเคอะทีมายางเขไปสไ ง, ป ส, งสัย เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปยกเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้มาสง ส, ขอขอ ง, มงสัยในจิตก็กังวลที่มาก็ดฝูงสารไปตามอารมณ์ ก็อสอบใจไม่สอบใจคิดฟุงๆไหลไปไอาย่กับผู้โทอันเดียวอนอิวาสเขาขอบมัง่งจิตเพราะฉะนั้นจงท่ำควอมตื่นท่ำความตื่นความระลึกรู้มันเด่นในจุดใดจุดหนึ่งบริกรรม ทำบริกรรมให้ต่อเนื่องกันเพื่อตัดกระแสของนิวรน์ทำให้ตั้งใจในทำความรู้สึกรู้เท่าให้ต่อเนื่องสติไม่ก่าถูกนวิวรณครอบงำ มาท่ไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่รอบรู้เป็นผู้รื้มตัวรื้มใจถูกอารมณ์อย่างอื่นครอบง่อมขมา่ามไม่สามารถจะรู้จะเข้าใจในธรรมะได้เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกให้กล้าอาร ฟื้นให้สติต่อเนื่องกันมณะสิการครขคร่อยู่ในทําที่เล่ากำหนดอยู่ที่เล่ารู้อยู่ที่เล่าเพ่งอยู่ถอดทุระปอยปร ะ, ะเร่เป็นผู้ประมาทอารมณ์องกิเลสเ ข, ขงง้าครอบงำแสดงกิริยาอาการ ท่างกายก็ไปแบบกิเลสหรือนึกคิดทีใ่ใน้จิตใจก็ไปแบบกิเลสไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาจนสุดท้ายจะเป็นโลกที่รักษาไม่หายเลี้ยวไหลไหลสละไปไม่มีรักไม่มีเกียร์เป็นที่พึ่งของตนเองม่ได้ปึกตนให้เป็นที่พึ่งของตนม่ได้ ก็เป็นถาดของตัญหาเป็นบอยของเพื่อมองฟุง่มฟุ่มวอบอยากนี่จึงไม่เป็นอิสระในจิต <c oughs> การศึกธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อความเป็นอิสระในตัวเองเพื่อตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเอง ในทางที่เป็นถ้ำในท่าที่เบิกบ่ายในท่างที่เสาหมอ ง, มงขุนม่วงทำความรู้ตัวในเบื้องต้นเราหนักยางใดแล้วมีความตั้งใจยางใด ถ้ามีข้อมประสองอย่างไรประสงที่จะฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรามีอำนาจมีกำลังเหนือสิ่งที่กดทวงคี่ความเสาหมองขุนมัวที่มันเป็นรุนทวงจิตใจให้รุ่มหลงมัวหม้อ หาความเป็นอิสระที่ให้เกิดความสุอันแท้จริงไม่มีที่จะตั้งใจเพื่อฟื้นคัดปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้สติต่อเนื่องกันจนเป็นสัมปชัญญะรูปตัวปฏิบัติเพื่อให้รอบรู้ ให้อารมณ์ให้ขณะจิตมันนึกคิดขึด้นมาแต่ระยางระยางรู้เท่าท่านมันคิดมันปรุงมันอยากความอยากเกิดขึ้นมาในความคิดปรุงนั้นมีความรู้รหลอกปัญญารู้หอกในความนึกคิดถ้าไม่รู้หลอกไม่รู้เท่าไม่รู้ท่าน คิดสิ่งไหนมันก็นไหลไปตามสิ่งนั้ น, นเหล่ยวไหลไป ต, ตามสัญญาอารมณ์ถูกกดท่วงถูกเหยียบย่ำด้วยอำนาจของอาธรรมคือธถ้ำไฟดำคำับถ้ำไฟเสาหมองในเกล้าก้มอยากวามโรก ข้อมหาที่สิ้นสุดข้อมในควอมพ้อไอ้มีไอ ม, ม, มีสิ่งใดที่จะถ้ำหาเกิดข้อมพ่อเลยที่จะถ้ำหายเกิดข้อมสุขอันแท้จริงให้เกิดข้อมเป็นอิสระอันแท้จริงเลยนอกจากการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาตามหลักธรรม ที่ตาด้วยชอบมีอยอท่านนั้นคิดจะปรุงจะน้อมไปตามข้อมอยากความปัฒนาหาที่สิน้นสุดไม่มีต้องมารูเท่าที่ใจที่ตัวเหตุที่ต้นเหตุนีใจเป็นมหาเหตุนีใจเป็นมหาฐาน รูรูอยู่ภายใ น, เ, ยนเป็นต้นเป็นต่อนี่จิงต้องน้อมขม่ามะารู้ที่ใจมรู้ที่ใจมาพิจารณาสอนใจมใไข้ขวน เพื่อหายใจนี่รูเหตุรูผลรูสิ่งที่ควนหรือไม่ควรจึงจะละจิงจะว่างจิงจะถอนค้อมหยุดค้อมถือค้อมติดสิ่งจะเรียแต่ค้อมว่างกเป็นอุเบกขาว่างเสยเป็นต่างๆ <Yeah. S 2> สรวมเห็นอะไให้ดี